แนะนำบทอัลกอมัตบทอัลกอรมั ต, มตเป็นบทมักธิยะมีห้าสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหารแห่งจักรวานนั่นคือปฏิหารการแยกดวงจันทร์ออกเป็นสองสี่ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหารของท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิสแลลัมท่านนี้เนึ่งจากว่าพวกมุชริกีนได้ขอให้ท่านนําปฏิหารอันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกที่ถึงความจริงของท่าน และพวกเขาได้เจาะจงกล่าวถึงคือการให้ดวงจันทร์แยกออกให้พวกเขาได้เห็นกับตาทางนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นประศูลของท่านหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องความน่ากลัวและความรุนแรงของวันสิ้นโลกด้วยสํานวนที่น่าเกรงขามและกระตุ้นจิตใจให้เกิดความกลัวและตกใจในวันนั้นหลังจากที่ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาชาวมักกะ ก็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดยิงยะโสจองของของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหลอซูลของพวกเขาแ ล, ล้วลอกก็ได้ทาลายล้างพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุด พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาส์มุูดและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิร์อาลและหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับว่าดภาพไปเห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยเห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษ ซึ่งได้ประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหลอซูลของอัลลอฮ์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกกุเรสและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนแอดีตและอาจจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบรรปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจยากรตามรูปแบบของอลุคุรานในการรวมระวา่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับในการกระทำความชั่ว ด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่งโดยพระนามของลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อสส ว, มวันกิยามาได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้ ว, ว และหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริ์พวกเขาก็ผินหลังให้และกล่าวว่านี่คือมายาคนที่มีมาก่อนแล้วววดอออราุุลมิิสและพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตามของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกำหนดะละกเจะอ่มินะ S <S <an> <S และโดยแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมาอย่างพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเขา <S <S <an> อัคมะตุบริุนินนกุรานนี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ่งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขาแทตวัลล์อันหุเยาวมาดูอัดาอิลาชัยอินนุดร ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผินหลังให้พวกเขาในวันซึ่งผู้เรียกร้องฮิสรอฟีนจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองกวัญส า, า, า, ายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขณะที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกตาที่บิวดวน Ā ā รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากจริงก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบาวของเราโดยกล่าวว่าเขาเนว้ เป็นคนบ้าและถูกผู่บังคับเขาจึงมิงวอลขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิธิตเสรียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้ว ย, วว ด, ยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า ให้นนน้นนฝเและเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบ ก, กันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วนอ และเราได้บรรทุกเขาวไว้บนเรือที่ทําด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกกิดด้วยตะปูลล ม, มันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การชุนคลองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ ม, มัร ด, ดกองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทําให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การระลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นพวกอาตุได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้ า, าดดงอินนาอับดุลเาอะลยมิมรีิยาศบซา ร, าารนาันฟียุมินะฮ์ซินมุสตมิร แท้จริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขาในวันแห่งความหายนะที่ต่อเนื่องกันลมได้พัดกระหน่ำผู้คนคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นต้นอินทผลามที่ถูกถอนออกจากล่ า, ด, า ด, ดังนั้น การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นหนบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อลัลกุรานเป็นที่เข้าใจง่ายแต่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกส ม, มุตได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนทะ็นด พวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้นะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอนสารนั้นถูกสรงมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเราการะนั้นหรือเปล่าเลย นนพูดเท ร, ร, กกนนะรุ่งนี้พวกเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันนะแน่แท้จริงเราส่งอูดตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา ดังนั้นเจ้าจงคอยดูพวกเขาและจงอดทนเถิดและจงบอกพวกเขาเถิดว่าน้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขาทุกๆส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้วแต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขา เขาได้จับมันฆ่าด้วยดาบอย่างทะรุน ด, รดังนั้นการลงโทษของข่าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างแท้จริงเราได้ส่งเสียงกำบรรดาเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา และพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไมแ้แห้งๆและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแต่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้ น, ล น, น, นกลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธต่อการตักเตือนอินนาอรลนาอล ทั้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูธเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้นในยามรุ่งสางเป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กตันยู และโดยแน่นอนเขาลู้ได้ตักเกือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเกือนของเรา ا أ และโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแก้บังคับ เขาให้ส่งมอบแขนของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลงฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดและโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อนเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้าฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถอด โดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับทอตักเตือนนั้น และโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายังวงวานของฟิลอา่าวพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราทั้งหมดดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอานุภาพ م م พวกปฏิเสธสถานในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคำที่ หรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะพ ล, ลละภาค พ, พวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีสสหแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขา แล้ววันอวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและผมขื่นยิ่งกว่าแท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหมา้ ي ي วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่ำหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้าจงลิมรสแห่งการเผาไหม้เถิดแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วนและกิจการของเราในการสร้างนั้นเพียงบัญชาครั้งเดียวคล้ายกับชัว่วพริบตาเดียวและขดอควลมที่100ขอควมทัลมิน และโดยแน่นอนเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเจ้าแล้วจะมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและทุกๆสิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้วและทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วอินนัลมุตติกลีที่จันนต์และ แท้จริงผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติหน้าที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ